ต้องเป็นนักต่อสู้นะเกิดมาอยู่ในโลกต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเป็นนักต่อสู้แต่ว่าเป็นนักต่อสู้ที่นี่จะขี่แพ้แพนีเหลายห้องแต่ว่าทา้งศรีษะมีอยู่พระพุทธเจ้าว่าห้องสู่แบบ ที่พระพุทธเจ้าคนบอกคนสอ น, ลสนหลักขณะอยู่เนี้ยออกแพร่แย่เกิดมาตั้งแต่ทีละตั้งแต่ห้าเกิดทีละตัด แ, แพร่แพ่ควมอยากเกิดแพร่ที่เลสแพ่ควมอยากก็เลย่อยในแม่เกิดเนี้ยขณะมันแพ่จดะดีกว่าคันพุทธณะแ้วเขาบอ ม, มาเกิดดอกจุเนียมันเป็นว่งคุกว่งแง่ เป็นมองทุกข์มองอยากเนี่ยผูเขาหูจักข่วงเขาบวม่าดอกดวหมือเข้ามาเกิดยอนแพร่อข่วมอยากเจอแพต่ตอที่เลยคุมโลกคุ้มกฎคุ้มหลงขนาดวันนี้มนี่ลราไม่เป็นโถเป็จองเข้ามาดึงเข้ามามาเกิดมาเกิดแล้วแต่เน่แพ่ี้เน่ยเนี่ยแพร่ตอควมหักแพร่ตัวค่วมตั้ง พรคว่ำอยากนั่นอยากนี่แพร่คว่ำเกลียดแค่คว่ำอยากได้อยากให้อยา ก, ายากนี่หมดหลายแ น, วน่วีดว่าให้เจอกัมื่อทิศกันอีกนะเนี่ยบกแพร่ธรรมกาบบกแค่โลกแล้วก็ยังมาแพร่กันอีกเยอะต่างก็ตูเป็นมากอีแพร่มานํากันแต่แท้ มัสร้างเป็นสูเปนมาคิใจพัดเคลื่องใจสั้งพนันหักผูนี่เเียส์แค่กามังกันเป็นนักต่อสู้น้ำเงนน่หละตั้งคนตั้งหมุนเจือจ้าอิศรภ า, าเจือจเ้าชนะนั้นแหละแต่ว่ากมามัสูนอีกทีเท า, แ ค, เาแค่เท่าแค่เพราะคนอุบายของที่เหลกของโลกเขาไม่ละแค่ คินึน่งงตัวเนยน้อยเขาก็แพะแพะเสือโลกตัวหน่อยมังได้เสื่อโลกหน่อย ก, กลักกกวไก่หน่อยกลัวหมากลัวแม่น่อยก็ยุ่งอยู่เยอะเสือโลกเขาก็แพ่นั้นแฉะเสื่อโลกตัวนยน้อยหนึงดอกเอากล่องทองคุณม่เห็นนะ่ะเขาก็แค่นั้นเดียวมาดูโมเมนเสือโลกเป็นอากาศเหมืกับแพะอีกชนิดคิงดูอากาศซื่อๆกับแฉะ แฉ่อากาศแฉ่อาหารแฉ่เกสมดอกไม้แผะคว่พักแฉ่คว่ำตั้งแล้วไปมาแฉะดอกไม้แฉะอากาศที่มีวิธีชณะมันหนี้อยู่พระพุทธเจ้าว่าให้ต้อมใจไว้ดีดๆดวยกนต้อมไว้ใจนี่งอย่าให้มันไปหุ่นไปที่ต้อมไว้ต้อมไว้ มันมั่นไปเลยมันบม่ค่อยเก่งเนี่มันไปแล้วเปอแฉะเท่ารเป็นวายายมันไปบบเนี่ยตอไม่มีเฮ็อยังไงเหตุภาวนาท่านสมาธิเหตุยังได้หรือท่านสมาธิก็บรรยากอกตั้งสติได้สติมันค่วมระลึกค่วมนึกระลึกสี่ระลึกบวชเห็นบว ก็มันคุดตอนนะ่ อ, ตอนี่นะคุดต่อเจ้าของระลึกกลับมาเจ้าของนันระลึกกลับมาเหรอมันตีหูเมื่อหูเมื่อเจ้าของอันนั้นเออว่าต้องไช่น ย, า, ยาในฮัทกันสิละฮัทระลึกกลับมาเจ้าของเรื่อยๆเลยเมื่อเกิตหูเมื่อเจ้าของอยู่เรื่อยๆที่แรกระลึกเนี่ยมันระลึกไปพุ่นไปที่คันบรไดฟิด์เลยเป็นเัื่องธร รลึกนึกคิดคิดไปพุ่นละไปใจไปละเนี่ยมันขีม้วนบอกบางใดมันม้วนวางไดเจ้าของมากคุณล่ะบานนี้ฮัดไหมได้ระลึกกลับมากการระลึกกลับมากแล้วมันพูดตัวเจ้าของแล้วมันกระปองรอระลึกหรือมันก็ะยูหรอกมันก็ะหู้ตัวเจ้าของอยู่ในใจพูดโดนๆให้หนี่งพูดแล้วก็พูดยันละจนดนๆยังคิดใจมันก็สิดเฉ็นแข็งใจมันโบออกไปไหแล้วมันโบไปแพร่หอกนะ ใจมันอยู่หนึ่งจักน้อยจะมีํำลั่งหลายซืนหลายคืนอียงมาดึงมาจองกระบไปแล้ววาเนีอารมณ์ยิ่งมากเป็นตาฮัตก็จันเป็นตาฮัตมันกระบอฮัตมันก็อยู่นี้เป็นต่ตั้งมันรบตั้งันบฮักบตั้งเราโบทุกถนะโบถุกเน่ดหมองมันถี่มมมันมมบางน้ดละมันหมมได้เยอะนี่หมองมมมเยอะก็สันแล้วเขาไม่จะทุกจะหยาดแหละเกิดมาบริวารศาสตร์ได้พบได้เห็นอื้อแต่มาทุกมายา มันใจเหาบริษัสแล้วมันจองมันดึงบ่อใดแล้วคืองั่วนี่แหละมั่วแคน้าบ่อใดสวนเข้ามันบ่อใดเอาเสือกผูกข้อมันเลยไปจูงบ่อใดแล้วอันนี้กิเลสมันเอาอียงบมาจองเอาคว้วหยากนะครับมาจองใจเขามาดึงใจเขามันดึงไปตั้งใดก็เลยดึงได้บ้านกันเ้าต่อใจไปนี้บอกออกไปให้มันผูกมาจองหล่ะมันหลเป็นอิสระคนนี้ครั มันแรงนั่นกับพรท่านเลยบัณฑ์ดันั้นนี้มันแบบมันติดสนะมันต้องสอนใจอยู่คล้องลักษใจอยู่ค้องไว้อย่าไปหัวจ้ามันส่วนมากเข้าเนี่ยหลัไปหัวจ้ามีไปเอานันเอานี้มีไปมักมีไปสร้างอะไรกันวมันไปถือกับมันมันห่างอยู่หัน่ะมันเอาควอมักควอมัสร้างไปไม่กลับไว้เข้ากับเข้าไปที่ไปย้อนมักควอมัสร้างกับแล้ก็ลางกับเผล ทำ้บนี้แล้วกัด้ยยใจไปใส่ด้